เราเป็นชาพุทธกลุ่มที่มีไม่มากนะเป็นชาพุทธที่มาเรียนเอาความจริงอ่ไรนี้มีไม่มากให้หน้าที่ของเราคือตอนนี้เรียนให้เข้าใจหลักแล้วไปดูของจริงจนจนจนความจริงมันแสดงจนของจริงมันแสดงความจริงของจริงคือโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหูอันนี้เป็นของจริง แล้วมันแสดงความจริงคือทุกครั้งที่รู้มันดับทุกครั้งที่รู้มันดับทุกครั้งที่ไม่รู้มันเผลอเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้ความให้ของจริงมันแสดงความจริงเราไม่มีหน้าที่จะไปทำความจริงปรุงความจริงให้เกิดเข้าใจไหมเราอาจจะสอนตัวเองได้ด้วยคำพูดต่างๆหรืออาจจะอ่านหนังสือที่ครูบาอาจารย์สอนนักองสอนตัวเองนะขณะที่สอนนั้นเป็นการเอาความรู้ของอื่นมาสอนใจ ใจยังไม่เชื่อเพราะมันยังไม่เห็นใจไม่เชื่อเพราะมันไม่เห็นเป็นความรู้ของคนอื่นเป็นภูมิรู้ของคนอื่นไปอ่านพระสูตร ก, ก็เป็นภูมิรู้ของพระพุทธเจ้าอ่านหนังสือครูบาจารย์ก็เป็นภูมิรู้ของครูบ า, าจารย์ดูซีดีก็เป็นความรู้ของครูบ า, าจารย์ใจยังไม่เชื่อเพราะมันยังไม่เห็น ใจมันจะเชื่อเมื่อมันเห็นใจมันเห็นตอนที่มีสติถ้าคิดเอาขณะนั้นไม่มีสติความรู้จากความคิดเนี่ยไม่พอที่จะให้จิตมันเชื่อมันต้องใช้ความจริงลักษณะแฉแฉเลยเอาหลักฐานให้ดูเลยตอนหลักฐานให้ดูเนี่ยขณะนั้นเรียกว่ามีสติโกรธเป็นอย่างนี้จริงๆราคาเป็นอย่างนี้จริงๆ โทสะเป็นอย่างนี้จริงๆฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้จริงคือแฉให้จิตดูการแฉให้จิตดูคือขณะ น, นั้นเห็นเห็นว่ามีอย่างนี้จริงๆถ้าโมตะคิดเอานะไม่เห็นเมื่อเช้ามีราคะแล้วนึกถึงนะว่ามีราคะเมื่อเช้าเนี่ยอันนั้นกำลังคิดตอนนี้ไม่ใช่เกิดราคะแต่ถ้าคิดถึงภาพที่ทําให้เกิดราคะเมื่อเช้าแล้วตอนนี้เกิดราคะด้วยรู้ทันราคะที่เกิดตอนนี้ก็ใช้ได้เห็นไหราคะเกิดจากการคิดก็ได้ เกิดจังจะเกิดจากการเห็นอะไรตอนนี้เลยก็ได้และส่วนใหญ่มักจะเป็นตอนคิดหลังความมาจากเห็นแล้วคิดฟังแล้วคิดคิดแล้วคิดอีกก็ <laughs> เกิดราคาซ้ำๆตอนที่คิดไม่รู้ตอนรู้ไม่ได้คิดตอนรู้นแว็บเดียวนิดเดียวแต่แว็บแว็บเดียวเนี่ยมีค่ามากเลยเป็นประสบการณ์ที่จิตตกใจเห็นครั้งแรกเนี่ยจิตจะตกใจ ครูอาจารย์จะเรียกว่าจิตตื่นมันตื่นขึ้นมาจริงๆแล้วคํานี้เป็นคําของพรุทธเจ้าจิตตื่นนะนะสติโลกาสมิขะชาคารโอสติโลกาสมิขะชาคารโอชาคารโอแปลว่าตื่นเป็นว่าผู้ตื่นสติเป็นเครื่องตื่นในโลกพอมีสติ <c oughs> เห็นความจริงขึ้นมานะจิตมันจะตื่นขึ้นมาว่าเป็นอย่างนี้เองเหรอถ้าเห็นด้วยการคิด มันก็คิดมาจนชำนาญแล้วไม่ค่อยตื่นเต้นแต่พอเห็นจากการที่มีสติเห็นสภาวะแท้ๆขึ้นมาเนี่ยนะโอ้ราคะเป็นอย่างงี้จริงๆเหรอเคยได้ยินมาหรือเคยคิดเอาเนี่ยนะมันไม่เท่ากับเห็นจริงๆแค่แว บ, บเดียวเนี่ยมีค่ามากเลยที่เคยได้ยินคานี้มา่าชั่วช้างกระดิกหูชั่ว ง, งูแลบลินเนี่ยเห็น น, นแว บ, บเดียวช้างกระดิกหูยังนานกว่าเลย ไอ้ตอนมีสติเห็นเนี่ยนะมันมีค่ามากเลยมันเป็นตัวแฉให้เห็นความจริงใครเห็นจิตเห็นนะแต่ตอนปรุงแต่งเป็นความคิดเนี่ยจิตก็ปรุงนะแล้วจิตก็เชื่อไปตามความปรุงแต่งเชื่อว่าโลกนี้น่าอยู่เชื่อว่าคนนั้นไม่ดีเชื่อว่าคนนี้ดีแล้วก็อยู่เพื่อล้างแค้นบ้างอยู่เพื่ออยู่อยู่กับคนนี้เพื่อมีความสุขต่อบ้างแต่ความจริง ตอนที่เราเห็นเนี่ยนะจะเห็นเลยว่าราคะเกิดดับโทสะเกิดมาก็ดับโมหะความฟุ้งซ่านะอะไรต่างๆก็เกิดมาแล้วก็ดับเห็นความจริงแล้วเบื่อจิตมันจะเบื่อขึ้นมานะเบื่อเนี่เป็นเบื่อแบบปัญญาคือปรุงอย่างนี้แล้วก็เกิดอีกแล้วปรุงนี่แล้วเบื่อเห็นมันซ้ำๆพอมีสติขึ้นมาแล้วนะงานต่อไปคือธรรมะขั้นต่อไปสำหรับคนที่มีสติแล้วคือทน คนดูมันเกิดซ้ำๆตอนนี้ท่านยังไม่เห็นต้องเห็นก่อน mm hmm. เห็นก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจจริงๆโดยที่ไม่คิดดูที่ไม่คิดมันยากสำหรับคนช่างคิดเหมือนกันนะแต่ความความที่เป็นคนช่างคิดแหละทำให้ดูจิตได้ง่าย mm hmm. แต่ถ้าคนไม่ช่างคิดนะทำสมาธิได้ง่ายเนี่ยนะจิตมันจะนิ่งๆจิตจิตที่นิ่งๆจากการทาสมาธิเนี่ย ไม่เหมาะที่จะดูจิตเพราะจิตมันนิ่งไม่มีอะไรให้ดูท่านก็เลยให้ดูกายหรือดูเวทนามันเหมาะมันเหมาะคนละแบบดีคนละแบบคนช่างคิดทําทําสมาธิไม่ได้ก็ดีที่จะจะมาดูจิตคนที่ทําสมาธิได้ดูจิตไม่ดีควรจะดูกายคนช่างคิดดูจิตดูกายอาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าดูกายมันมักจะดูกายแล้วต้องดูนานๆจนเกิดเวทนาจักไม่ไหวละจักฟุ้งซ่านละ นั้นทำให้เหมาะกับตัวเองเราสบายกับการเจริญกรรมฐานแบบไหนให้ทําแบบนั้นทําสมถะได้สิ่งสบายสำหรับคนสมถะคือดูกายหรือดูเวทนาทําสมถะไม่ได้จิตฟุ้งซ่านก็สิ่งสบายสําหรับเราคือดูจิต <c oughs> มันสบายอย่างนี้นะ <c oughs> โอเคไหม <c oughs>